วัตถุหประการพระเทวทัตกล่าวว่ามาเถิดท่านทั้งหลายพวกเราจะเข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมแล้วทูลขอวัตถุหประการว่าพระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคตรัสสรรเสริญความมาักน้อยความสันโดษความขัดเกลว์ความกําจัดอาการหน้าเลื่อมใสการไม่เหมาะสมการปรารบความเพียร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 เพราะยังมีพวกภิกษุที่เลื่อมใสในการปฏิบัติปอนๆครั้งนั้นพระเทวทัตพร้อมด้วยบริษัทได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วจึงถวายบังคมแล้วนั่งลงณที่สมควรกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคตรัสสรรเสริญความมากน้อยความสันโดษความขัดเกลาความกําจัดอาการน่าเลื่อมใส การไม่สะสมการปรารบความเพียรโดยประการต่างๆวัตถุ5ประการเหล่านี้ก็เป็นไปเพื่อความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความกาจัดอาการหน้าเลื่อมใสการไม่สะสมการปรารบความเพียรโดยประการต่างๆข้าพระพุทธเจ้าขอประทานวโรกาสดังนี้ 1. ภิกงิูุทั้งหลายควรอยู่ป่าตลอดชีวิตภิสูรูปใดเข้าบ้าน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 ภิกษุรูปใดฉันปลาและเนื้อภิกษุรูปนั้นมีโทษพระผู้มีพระภาคตรัสห้ามว่าอย่าเลยเทวทัตภิกษุรูปใดปรารถนาก็จงอยู่ป่าเถิดภิกษุรูปใดปรารถนาก็จงอยู่ในละแวกบ้าเ น, านาทเถิดภิกษุรูปใดปรารถนาก็จงเที่ยวบินทบาทเถิดภิกษุรูปใดปรารถนาก็จงยินดีกิจนิ้อมนเถิดภิกษุรูปใดปรารถนาก็จงถือผ้าบางสุกุลเถิด ภิกษุรูปใดปรารถนาก็จงยินดีภาคคาบดีเถิดเราอนุญาตถือเซนาสนะตามโคนไม้8เดือนเท่านั้นเราอนุญาตปลาและเนื้อที่บริสุ์ ด, ด้วยอาการสามอย่างคือวงเล็บหนึ่งไม่ได้เห็นวงเล็บสองไม่ได้ยินวงเล็บสาไม่ได้นึกสงสัยครั้งนั้นพระเทวทัตร่ราเริงดีใจว่าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุญาตวัตถุ5ประการเหล่านี้พร้อมกับบริษัท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 ประพฤติกำจัดกิเลสประพฤติเคร่งครัดส่วนพระสมณะโคดมมากๆดําริเพื่อความมากๆส่วนพวกมีศรัทธาเลื่อมใสเป็นบัณฑิตฉเฉลียวฉลาดมีความรู้ดีก็ตําหนิประนามโพลทนาว่าฉะไหนพระเทวทัตจึงเพียรพยายามเพื่อทําลายสง์เพื่อทําลายจักรของพระสมณะโคดมเล่าภิกษุทั้งหลายได้ยินประชาชนตนําหนิประนามโพลทนา บรรดาภิกษุผู้มักน้อยจึงพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉนัยพระเทวทัตจึงเพียรพยายามเพื่อทำลายสงเพื่อทำลายจักเล่าครันภิกษุทั้งหลายตำหนิพระเทวทัตโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกล่าบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ